การประหยัดของพระธุดงคขกรรมฐานการนุ่งห่มใช้สอยบริขารต่างๆของพระธุดงค์เฉพาะท่านอาจารย์มั่นรู้สึกท่านพิถีพิถันและมัธยัติเป็นอย่างยิ่งไม่ยอมสุรุยสุรายเป็นอันขาตลอดมาปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆมีมากเพียงไรก็ไม่ได้ใช้แบบฟุ่มเฟือยเห่อเหิมไปตามเลยปฏิปทาคือข้อปฏิบัติ ต้องคงเส้นคงวาอยู่โดยสม่ำเสมอแต่การสงเคราะห์ให้ทานนั้นสิ่งของมีเท่าไรเป็นให้ทานไม่มีเหลือและไม่เห็นท่านเก็บสั่งสมอะไรไว้บ้างเลยท่านสงเคราะห์ให้ทานทั้งพระเนรเทนชีและคารวาสผู้ยากจนที่มาหาเท่าที่สังเกตรู้สึกว่าจิตท่านทั้งดวงเต็มไปด้วยความเมตตาสงสารโลกมากไม่มีประมาณแต่การนุ่งห่มใช้สอยท่านปฏิบัติอีกแบบหนึ่ง เหมือนพระอนาถาไม่มีอะไรติดตัวผ้าสังคติจีวรสะบงผ้าอาบน้ำขาดขาดวินวินมองเห็นแต่รอยปฏิดประตอร่อประปาชุนชุนเต็มไปทั้งผืนเอ็ละวอดสลดสังเวชไม่ได้เราไม่เคยเห็นในวงคณะสงฆ์ไทยทํากันอย่างนั้นมาก่อนเลยพึงได้เห็นท่านอาจารย์เป็นองค์รากที่ทําอย่างนี้ท่านพยายามปาชุนเสียจนไม่มีที่จะปาจะชุนจนเนื้อผ้าเก่าที่มีอยู่ดั้งเดิมเปื่อยหายไปหมด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 ไม่ว่าผืนใดขาดในบรรดาผ้าผ้าครองหรือผ้าบริการที่ท่านนุ่งห่มใช้สอยผืนนั้นต้องถูกปะถูกชุนจนคนทั่วไปดูไม่ได้เราไม่เคยเห็นใครทํากันในเมืองไทยที่เป็นเมืองสมบูรณ์เหลือเฟือจนทําให้คนลืมตนมีนิสัยฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟื่อยแม้เป็นคนจนจนท่านเองไม่เคยสนใจว่าใครจะตําหนิติชมเพราะการทําเช่นนั้นแม้บริการเครื่องใช้ในวัด เช่นคารุเครื่องตักน้ำกระป๋องกระบวยตักน้ำหรือสิ่งอื่นที่ชำรุดลงท่านจะนำมาแก้ไขดัดแปลงเสใหม่แล้วนำไปใช้ได้อีกจนสุดสาระของสิ่งนั้นๆท่านถึงจะยอมทิ้งการเก็บรักษาบริขารและเครื่องใช้สอยต่างๆภายในวัดหรือที่พักท่านเข้มงวดกวดขันมากต้องเก็บรักษาหรือจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบงามตาไม่ปล่อยทิ้งให้เสียหาย และเกะกะ ก, กีดขวางสถานที่และทางเดินได้เลยใครวางสิ่งใช้สอยต่างๆไว้ไม่ดีท่านจะเรียกหาตัวมาสอบถามและดุด่าสั่งสอนทันทีไม่ให้ทำเช่นนั้นต่อไปอีกบางท่านอาจจะคิดคล้องใจสงสัยหรือจะเป็นการยั่งเสียงก็เหลือจะดาวถูกโดยเรียนถามท่านอย่างดือด้อก็มีว่าอย่างอื่นๆก็ไม่สำคัญนักแต่เฉพาะผ้าสังคติผ้าจีวรผ้าสบง ซึ่งเป็นบริการสำหรับองค์และสำคัญกว่าบริการอื่นใดท่านอาจารย์ก็ไม่ได้อดอยากขาดแคลนมีท่านผู้ศรัทธานำมาบริจาคถวายอยู่เสมอควรจะใช้สอยผืนใหม่เพื่อฉลองศรัทธาเข้าบ้างส่วนผืนเก่าก็ควรสละออกเพื่อท่านผู้ใดประสงค์จะรับไปไว้สักการะบูชาก็กรุณาให้ไปไม่ควรสงวนใช้จนขาดละเอียดและป่าชุนจะจนด่างดาวไปทั้งผืน ราวกับเสือเดินผ่านตลาดดังที่เป็นอยู่เวลานี้คณะลูกศิษย์เห็นแล้วเกิดความอับอายชาวบ้านที่หลั่งไหลเข้ามากราบนมัส ก, การและถวายทานแกท่านอาจารย์ไม่ได้ขาดทายทานแต่ละอย่างที่คณะสัทธานํามาถวายแต่ละครั้งมีไม่น้อยไม่น่าจะประหยัดใช้แบบป่ป่าชุนชุนดังที่เป็นอยู่นี้ซึ่งน่าอับอายแทนอาจารย์เหลือเกินไม่อยากให้ทําแต่อยากให้ท่านอาจารย์ทําพอสมเกียรติบ้างว่า เป็นอาจารย์สั่งสอนคนแทบทั่วประเทศการกราบเรียนนี้ก็เพราะความเคารพเลื่อมใสและรักสงวนอย่างฝังใจแต่เมื่อเห็นท่านอาจารย์นุ่งห่มใช้สอยบริการต่างๆแบบขัดขาดเขินเขิ น, ขนต่อติดติตปะผาชุนชุนอยู่เป็นประจำไม่มีการผลัดเปลี่ยนเลยทั้งที่สิ่งของมีอยู่ก็ทำให้นึกน้อยใจและอับอายชาวบ้านราวกับอาจารย์ของตนหมดราคาค่างวดไม่มีชิ้นดีเลย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 พระโอวาทที่ทรงสั่งสอนหมู่ชนก็มาเหนือเมฆคือเหนือสมมติทั้งปวงไม่มีใครจะสามารถปฏิบัติและสั่งสอนได้เหมือนอย่างพระองค์ศา ส, สนาธรรมที่ออกจากพระโอษฐ์ก็เป็นมัชฌิมาธรรมซึ่งเหมาะกับการสถานที่บุคคลตลอดมาไม่มีการขัดแย้งกับความจริงที่ควรตำหนิสำหรับหมู่ชนผู้หวังเหตุผลเป็นเครื่องดำเนินเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยตามพระโอวาท การปฏิบัติก็ส่งทําด้วยความรอบคอบการรู้เห็นธรรมก็ส่งรู้เห็นด้วยความรอบคอบชอบธรรมการสั่งสอนก็ทรงทําด้วยความรอบคอบตามหลักของศาสดาผู้เป็นบรมครูไม่ปรากฏว่ามีสิ่งบกบกพร่องๆตามมากับศาสนธรรมของพระองค์เลยฉะนั้นพวกเราผู้เพียงปฏิบัติตามพระโอวาทซึ่งทเทียบกับการส่งขวนขวายด้วยความลําบากทรมานของพระองค์ เพื่อหมู่ชนแล้วก็เท่ากับพวกเราพา ก, กันขาอ่อนมืออ่อนคอยล้างมือรับประทานเท่านั้นไม่มีความยากเย็นอะไรเลยลองคิดดูพระองค์ที่ทรงนำสาวกดำเนินมานั้นทรงนำมาด้วยความฟุ้งเฟอ้อเห่ขนองหรือทรงนำมาด้วยความสันโดษยินดีตามมีตามเกิดแห่งปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งหลายทรงนำมาด้วยความมากๆแบบพาตัวเป็นซากศพของกิเลสตัณหา หรือด้วยความมากน้อยปล่อยกังวลทั้งหลายส่งนำมาด้วยความประหยัดดัดความอยากที่หลากมาท่วมหัวใจไม่มีเวลาอิ่มพอหรือด้วยความฟุ่มเฟือยเรียราดเพราะความประมาทขาดสติเล่าเพียงเท่านี้ก็พอทราบได้ว่าพระที่ทาตนเป็นคนฟุ้งเฟอฟุ่มเฟือย น, นั้นก็คือพระที่ตนและผู้อื่นเลี้ยงยากปากก็กว้างท้องก็โตกิเลสในใจแม้พลเมืองดียังสู้ไม่ได้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 มีใช่ผู้สูรุ่ยสุร่ายจ่ายด้วยอำนาจความทะเยอทะยานพาชุดลากไปไม่มีวันยับยั้งตั้งตัวได้จนวันตายไรโง่อุตริคิดเอาอย่างคนแบบนั้นมาใช้จะกลายเป็นคนตายแบบไม่มีปาช้าไปตลอดสายแห่งสกุลท่านย้อนถามพระองค์ที่เรียนถามว่าท่านเคยเห็นลิงรับอาหารจากมือคนไปกินหรือเปล่าว่ามันรับอย่างไรและกินแบบไหน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 พราะธรรมะของพระพุทธเจ้ามีอยู่ทั่วไปแม้คำติชมก็เป็นธรรมะด้วยถ้าพิจารณาให้เป็นธรรมแต่ถ้าไม่พิจารณาก็เป็นโลกและทำคนให้หลงได้ทั้งคำติและคำชมเชยเพียงการอยู่กินของลิงท่านยังไม่สนใจสังเกตพอทราบลัทธิของมันบ้างแล้วท่านจะทราบความเป็นอยู่ใช้ส้อยของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านได้อย่างไร ว่าท่านทรงปฏิบัติองค์ท่านอย่างไรในความเป็นศาสดาและเป็นศักยบุตรที่ควรเป็นสารณะของโลกได้อย่างมั่นใจตลอดมาท่านยังคิดอยากทราบอยู่บ้างหรือเปล่าว่าลิงมีลัทธินิสัยต่างจากคนอย่างไรบ้างถ้าไม่อยากทราบลัทธิของลิงไว้บ้างพอประดับสติปัญญาแต่จะปีนป่ายอยากทราบอาริยประเพณีของศาสนาก็รู้สึกว่าจะปีนสูงมากไป ผมจึงไม่อยากอธิบายให้ท่านฟังแม้พออธิบายได้ท่านองค์นั้นเรียนตอบว่าแต่ก่อนกระผมก็ไม่เคยได้ยินท่านผู้ใดมาพูดเรื่องลิงให้ฟังว่ามันมีลัทธินิสัยอย่างไรแต่พอท่านอาจารย์ถามจึงทำให้เกิดความสนใจอยากทราบว่าลิงมีนิสัยต่างจากมนุษย์อย่างไรบ้างแต่ก่อนก็พอทราบได้ จากสายตาที่เคยเห็นมันอยู่เสมอจนเบื่อไม่อยากดูเพราะความที่มันเป็นสัตว์ที่มีนิสัยลุกลิดไม่อยู่เป็นสุขประจําตัวที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านี้เระผมไม่ทราบได้ต่อจากนี้เป็นคําสนทนาระหว่างท่านอาจารย์มัน่นกับพระองค์ที่เรียนถามท่านองค์นี้อยากทราบลัทธินิสัยลิงท่านอาจารย์มั่นเริ่มตอบท่านว่าลิงก็เหมือนคนที่มีนิสัยลุกลิด ไม่ชอบอยู่เป็นความสงบสุขตามทํานองคลองธทมเหมือนสุภาพชนทั้งหลายนั่นเองเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ด้วยความขนองทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ทั้งตัวผู้ตัวเมียมาตลอดโคดแซ่ของมันความขนองของลิงไม่มีขอบเขตจํากัดเหมือนคนที่ไม่ได้รับการอบรมศิลธรรมมาบ้างเลยแม้จะแก่จนผมงอกขาวโพลนเป็นสํามีไปทั่วทั้งศรีรษะก็ะ <c oughs> ไม่รู้จักความสงบร่มเย็นคืออะไรและสิ่งนั้นจะเกิดได้ด้วยวิธีใด เป็นสัตว์ที่ไว้ใจไม่ได้ตลอดวัยแม้เลี้ยงมันให้อยู่กับคนมาแต่เล็กจนโตแต่นิสัยก็เป็นของตัวมันเองไม่สนใจยึดเอานิสัยของมนุษย์ไปใช้เลยแม้แต่น้อยสัตว์พันนี้เกิดแบบลิงอยู่แบบลิงและตายแบบลิงไม่มีแบบอื่นใดมาเจือปนเลยคนที่ยึดเอาลัทธินิสัยลิงมาเป็นตัวของตัวจึงเลวร้ายยิ่งกว่าลิงและทาความเดือดร้อนให้โลกได้รับร้ายแรง และกว้างขวางมากยิ่งกว่าลิงสิ่งที่เห็นด้วยตาตัวเองก็คือเวลาไปพักบําเพ็นอยู่ในถ้ำซึ่งเป็นที่ชุกชุมของสัตว์เหล่านี้นี่พูดถึงตอนออกเที่ยวทุดงใหม่ยังไม่ทราบนิสัยของสัตว์พวกนี้ได้ดีพอเวลาเข้ามาเที่ยวหากินตามบริเวณหน้าถ้ำที่เราพักอยู่ทีแรกมองเห็นเรามันก็กลัวแต่พอเห็นอาการเราไม่เป็นภัยต่อเขาเขาก็ไม่กลัว และพาการเที่ยวหากินมาที่นั้นแทบทุกวันเราเองก็คิดสงสารเห็นเข้ามาเป็นฝุงฝูงและปีนปายขึ้นลงอยู่บริเวณหน้าถ้ำทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ไม่สนใจกับคนพอได้อาหารมาเหลือจากฉันก็แบ่งไว้ให้เขาเวลาเข้ามาก็เอาอาหารมีกล้วยบ้างข้าวบ้างผลไม้ต่างๆบ้างไปวางไว้ตามก้อนหินให้เขาเก็บกินเองพอเรานาอาหารไปวางต่อหน้าเขา แล้วหันหลังกลับมาเท่านั้นต่างตัวต่างแย่งกันกินอย่างชุนละมุนวุ่นวายโดยไม่ได้คิดเกรงกลัวเราบ้างเลยวันหลังยิ่งพากันมาแต่เช้าและคอยอาหารที่เราจะเอาไปให้เพียงสองสาวันเท่านั้นก็ได้การคือต่างแสดงฤทธิ์อย่างเต็มที่ไม่มีความเกรงกลัวเราบ้างเลยและพากันเที่ยวยุ่มย่ามเข้ามาค้นอาหารในที่พักเรา จนสิ่งของบริคารต่างๆตกกระจุยกระจายเกลื่อนไปหมดเวลาไปบินทบาทนอกจากนั้นบางตัวยิงทำท่าจะกัดเราอีกด้วยแยกเขี้ยวยิงฟันทำปากขมุบขมิบคิ้วขมวดขึ้นขมวดลงขู่เราเรากับจะบอกว่ามวยลิงรวดเร็วยิ่งกว่ามวยมนุษย์มวยมนุษย์สู้ไม่ได้ถ้าไม่อยากเจ็บอย่ามายุ่งเดี๋ยวโดนจะว่าไม่บอกฉะนั้น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 ขณะที่ยื่นอาหารให้ต่างตัวต่างวิ่งมารุมเราจนนาเกลียดนากลัวบางตัวแทบจะกัดเราในเวลานั้นเข้าด้วยเพราะความโลภมากในอาหารแสดงอาการลุกลี้ลุกลนจนแทบดูไม่ได้ทั้งวิ่งดักหน้าดักหลังทั้งรุมล้อมทั้งส่งเสียงกอกแก๊กขู่เข็นเราผู้เมตตาให้อาหารสัตว์ที่นากลัวและนารำคาญก็คือลิงนั่นแหลท่านพอทราบบ้างหรือ ย, อยัง บรรดาลิงที่เขาเลี้ยงไว้ในบ้านเวลายื่นอาหารให้เขาแสดงอาการอย่างไรบ้างต่ออาหารที่ให้และต่อผู้ให้อาหารเขาพระองค์นั้นเรียนตอบท่านว่ากระผมไม่ทราบเราเป็นแต่เคยให้อาหารเขาแต่ไม่เคยสังเกตขณะให้อาหารว่าเขาแสดงอาการอย่างไรบ้างท่านอาจารย์เลยอธิบายให้ท่านฟังต่อไปว่ารายจะเอาอาหารให้มันก็ตาม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 ทั้งเคี้ยวทั้งกลืนทั้งกัดทั้งฉีกถ้ามองเห็นอาหารในมือคนอื่นยังเหลือพอมีทางได้อยู่อีกมันจะรีบกัดรีบกินแล้วรีบซ่อนอาหารเข้าไว้ในกระพุ้งแก้มทันทีแล้วตามองมาที่มือคนและเอื้อมมือมาขออีกถ้าคนให้อีกมันจะรีบกินบ้างซ่อนไว้ในกระพุ้งแก้มบ้างเหลือจากนั้นก็ทิ้งบ้างแล้วเอื้อมมือมาขอใหม่อีกไม่มีความอิ่มพอในการขอ ให้เท่าไรเป็นเอาหมดจนไม่มีอะไรจะให้น่นแหละมันจึงจะหยุดและหันมาเคี้ยวกลืนส่วนที่มันซ่อนไว้ในปากต่อไปลิงเป็นสัตว์ที่สุรุ่ยสุร่ายมากและไม่มีความอิ่มพอในอาหารเมื่ อ, อยังพอจะได้จากใครอยู่แม้ท้องมันจะเล็กๆเหมือนสัตว์ธรรมดาทั่วๆไปแต่ความโลภและความสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยมันนั้นเหลือตัวยากที่จะมีสัตว์ตัวใดเสมอได้ เท่าที่ยกตัวอย่างของลิงมาเป็นข้อเปรียบเทียบเพียงเล็กน้อยนี้ท่านพอทราบได้กระมังว่าที่ท่านมาขอให้ผมผลัดเปลี่ยนเครื่องบริขารเสียใหม่โดยทิ้งของเก่าไปเสียทั้งที่สิ่งนั้นยังพอให้ประโยชน์ได้อยู่นั่นคือท่านขอให้ผมปฏิบัติตามแบบลิงและขอให้ลิงเป็นศาสดาสั่งสอนผมแทนศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้จักประมาณพอดีทุกอย่างเราะแบบที่ท่านขอผมนั้น เป็นแบบลิงใช้กันอยู่ตามวิสัยของสัตว์ที่ไม่รู้จักธรรมะคืออะไรผู้รู้จักธรรมะคืออะไรอยู่บ้างก็ควรคิดคำานึงสภาพของตนและของธรรมะว่าอะไรควรหรือไม่ควรการพูดด้วยเจตนาหวังดีนั้นเห็นใจแต่เจตนานั้นไม่คุ้มค่ากับความเสียไปยแห่งธรรมะมีความสันโดษมากน้อยเป็นต้นซึ่งเป็นธรรมะที่ยังโลกให้สงบเย็นมานาน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 พระองค์เป็นมาแบบโลกเป็นกันหรือเป็นมาอย่างไรการสั่งสอนศาสนาทรงสั่งสอนอย่างไรโลกจึงตกลงปลงใจยอมกราบไหว้บูชาและปฏิบัติ ต, ตามเรื่อยมาจนถึงพวกเราศา ส, สนาธรรมที่ประทานไว้ทุกแง่ทุกมุมล้วนเป็นสวากขาตธรรมโดยสมบูรณ์และเป็นนิยานิกธรรมความระ ง, งับดับทุกความกังวล น, น้อยใหญ่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 เห็นว่าผู้ทาตัวเป็นคนฟุ่มเฟือยพองตัวใหญ่กว่าโลกนั่นแหลคือผู้ตั้งหน้าค่าตัวเองไม่รู้สึกว่าตัวเป็นเพชฌฆาตทำลายตนคนเราเมื่อคิดเกินความพอดีเหมาะสมแล้วต้องเป็นผู้ก่อเรื่องกระจุยวุ่นวายแก่ตัวเองจนหาความสงบสุขทางกายและทางใจไม่ได้แน่นอนใจต้องคิดเพื่อพอกพูนมากขึ้นจนไม่มีเวลาพักผ่อนได้ถ้าเป็นน้าก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลน จนหาที่อาบดื่มใช้สอยไม่ได้ใจกับกายต้องหมุนเป็นกงจักเพื่อได้มาซึ่งสิ่งนั้นๆถ้าไม่ได้ต้องกระวนกระวายเพราะหาไม่ทันกับความอยากน้ำล้นฝั่งนั้นเมื่อไม่ได้ทางตรงก็ต้องหาทางอ้อมไม่ได้ทางสุจริตก็ต้องหาทางทุจริตพอลักขโมยได้ก็ขโมยเอาพอหยิบช่วยได้ก็หยิบฉ่วยเอา พอจี้ได้ก็จี้เอาพอปล้นได้ก็ปล้นเอาพอคิดโกงได้ก็คิดโกงเอาพอรีดไถได้ก็รีดไถเอากลืนได้ก็กลืนเอาหรือแม้พอฆ่าได้เป็นฆ่าเอาทั้งสิน้นไม่สนใจคิดว่าเกรงใจอายโลกหรือกลัวบาป ก, กลัวกรรมเพราะอำนาจนั้นบังคับสุดท้ายก็ถูกจับตัวผู้ยิ่งใหญ่เป็นนอนในห้องขังให้เสวยผลความอยากของตนอยู่ในเรือนจำ โดยถูกเขาฆ่าตายทิ้งหมกป่าหมวกโคลนไม่มีใครไปสืบสาวราวเรื่องปล่อยให้หายซากไปเลยยิ่งกว่าสัตว์ซึ่งน่าทุเรศผิดมนุษย์ทั้งหลายนี่แหละโทษของวิชาลิงที่เป็นสัตว์มีนิสัยบกพร่องต้องการอยู่เสมอไม่มีความอิ่มพอในสิ่งทั้งปวงทั้งที่ปากและท้องของมันก็ไม่ใหญ่โตกว่าสัตว์ทั้งหลายแต่ลิงนั้นตายเพราะความอยากทางใจมากกว่าความหิวโหยอาหาร เมื่อใครนำวิชาทำลายตัวแบบลิงมาใช้ไม่ว่าพระหรือคาวรวาดผู้นั้นต้องเป็นคนผิดสังเกตต่างจากโลกทั้งหลายที่มีความพอดีถ้าเป็นพระก็จะพยายามเสาะแสวงหาแต่ปัจจัยโดยอุบายวิธีต่างๆด้วยความกระวนกระวายมากกว่าจะละอายหรือสนใจในพระธรรมวิไนยอันเป็นความดีงามของสมณนะจนประชาชนเอือมระอาไป ต, ตามๆกันไปในทิศทางใด ประชาชนหลบหลีกเป็นทิวแถวทั้งที่เขามีความเลื่อมใสศาสนธรรมอยู่อย่างฝังใจแต่ที่ต้องหลบหลีกตัวให้พ้นไปก็เพราะทนเพทุบายในการรบกวนขอเงินหรือสิ่งต่างๆจากพระที่แก่วิชาไม่ไหวท่านย้อนถามท่านองค์นั้นว่าท่านทราบไหมว่าที่ว่าพระแก่วิชานั้นคือวิชาอะไรเรียนว่าไม่ทราบ ท่านอาจารย์ตอบเสเองว่าก็วิชาขอไม่หยุดนะสิเพราะพระเราถ้าลงได้ดานด้วยความฟุ้งเฟอ้อทะเยอทะยานยาบและการสแสวงหาลาบปัจจัยแล้วต้องดานทุกอาการไม่มีอย่างอายติดตัวมีแต่ความมุ่งหมายและมุ่งมั่นต่อปัจจัยลาบต่างๆโดยทายเดียวว่าขอให้ได้มาคําภาวนาก็คือขอให้ได้มาขอให้ไดมาเท่านั้น ไม่ต้องสวดมนต์ภาวนาด้วยคาถายืดยาวเหมือนท่านผู้บำเพ็ญภาวนาทั้งหลายสวดกันเพียงภาวนาบทเดียวเท่านั้นก็กระเทือนโลกพออยู่แล้วถ้าขืนต่อคาถาให้ยืดยาวไปกว่านั้นโลกจะต้องแตกแน่นอนท่านอาจารย์ถามท่านองค์นั้นว่าท่านต้องการคาถาย่อ น, นั้นหรือเปล่าจะได้สําเร็จมรรคผลง่ายๆจึงไม่มีพระสาวกองคไหนสําเร็จแบบนี้ ตอบว่ากระผมไม่ต้องการเพราะเป็นคาถาทำลายศาสนาและทำลายประชาชนถ้าไม่ต้องการท่านขอให้ผมปฏิบัติแบบลิงเพื่ออะไรคาถานี้ก็มาจากลิงนั่นเองที่กลายมาเป็นคาถาย่อบทนี้อยู่เวลานี้กระผมขอประธานโทษที่กราบเรียนไปตามความรู้สึกที่คิดว่าจะเป็นความสะดวกสบายแกท่านอาจารย์โดยไม่ทําให้ท่านอาจารย์และปฏิปทานในวงศาสนาเสียไปด้วย ถ้าคิดว่าจะเป็นไปในทํานองท่านอาจารย์อธิบายปฏิปทาลิงที่เป็นศาสตร์ฟงเฟอร์กระผมก็ไม่กราบเรียนเพราะไม่ประสงค์จะให้อะไราเสียไปเพราะการเรียนข้อนั้นท่านตอบว่าแม้ท่านไม่มีความนึกคิดไปในทางนั้นก็ตามแต่การขอร้องก็ชี้บอกอยู่แล้วอย่างชัดเจนคนเราไม่ถึงกับต้องขอร้องให้ทำตามกันหมดทุกอย่างหรอกท่านเพียงผ่านทางตาทา ง, ทางหูกลางตลาดเท่านั้น ก็เป็นทัศนศึกษาอันสมบูรณ์พอยดไปเป็นแบบฉบับได้แล้วสิ่งต่างๆที่จะทำคนให้ดีและเสียคนได้นั้นมีอยู่ทั่วไปไม่จำต้องจัดเข้าในตารางสอนคนก็มีทางยึดได้ถ้าเป็นฝ่ายดีก็ทำผู้ปฏิบัติตามให้เป็นคนดีและเจริญได้ถ้าเป็นฝ่ายชั่วก็พาผู้คนให้เสื่อมเสียไปโดยไม่ต้องประกาศโฆษณาชวนเชื่อใดๆ เช่นคนหรือครอบครัวที่ชอบสุรุย่ยสุร่ายเป็นนิสัยคนในครอบครัวนั้นมักเอาอย่างกันจนกลายเป็นครอบครัวผัวเมียลูกหลานที่สุรุย่ยสุร่ายไปตำตามกันรายได้มีมาไม่พอกับการจับจ่ายเพราะต่างคนต่างเป็นนักจ่ายด้วยกันไม่มีใครสนใจประหยัดรักษาแม้แต่น้ำลำคลองยังเหือดแห้งไปได้เมื่อไรไม่หยุดเราลองนาครอบครัวที่มีการประหยัดรักษา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 ยิ่งกว่าครอบครัวที่เป็นโรคไม่มียาและหมอรักษาเป็นไห น, ไหนคือหมายถึงคนไม่มีขอบเขตในการจ่ายและการเก็บรักษานอกจากเป็นความสงบสุขของตัวและครอบครัวแล้วยังเป็นการพ่อเด็กลูกๆหลานๆตลอดผู้เกี่ยวข้องในวงสกุลให้เป็นคนดีมีคือมีแปรทางความประพฤติและการจับจ่ายตลอดการเก็บรักษาสมบัติต่างๆให้เป็นหลักฐานมั่นคงต่อไปตลอดกาลนานอีกด้วย ส่วนคนและครอบครัวไม่มีประมาณในการรักษาตัวนั้นนอกจากจะเป็นความเดือดร้อนในปัจจุบันแล้วยังอาจแพร่พันุ์ดีแตกแหวกแนวให้ลู ก, ลก ห, ลหลานในวงสกุลเสียไปด้วยตลอดกาลนานผมไม่เคยเห็นคนที่ไม่มีหลักใจเป็นหลักทรัพย์ตั้งเนื้อตั้งตัวทางสมบัติได้เลยเห็นแต่ความชิบหายปนปีติดหนี้สินพรุงพรังเหยียบย่ำทาลายเขาจนตั้งตัวไม่ติดนั่นแหละ จะมีความเจริญมั่นคงมาจากที่ไหนพอจะน่าชมเชยคนเราถ้าไม่มีอะไรบังคับใจกายวาจาความประพฤติไว้บ้างพอเป็นที่ยับยั้งช่างตวงเวลาอารมณ์บ้าร้อมันขึ้นสมองซึ่งมีอยู่กับทุกคนแม้จะมีความรู้วิชาและฐานะดีเพียงไรก็ไปไม่รอดต้องจอดจมจนได้เพราะการทำลายตนด้วยวิธีต่างๆดังกล่าวมามีใช่เป็นของดีที่น่าสรรเสริญ ท่านระวังมากจากการทำลายตนด้วยวิธีต่างๆนั้นยิ่งกว่าการถูกทำลายจากผู้อื่นหรือสิ่งอื่นเป็นไหนๆในขณะเดียวกันท่านพยายามประคองตนในทางดีงามโดยสม่ำเสมอไม่ยอมปล่อยตัวไปตามยถากรรมดังที่เห็นๆกันจนหน้าทุเรศซึ่งมีจำนวนมากกว่าที่น่าอนุโมทนาสรรเสริญ ยิ่งใครชอบมินิสัยตื่นเงาตัวเองตื่นสมัยโดยไม่คำนึงถึงสารพัดประโยชน์หรือโทษทานอะไรจากสิ่งนั้นๆพอควรก่อนเพียงสิ่งนั้นๆผ่านหูผ่านตาคอยแต่จะช่วยมันจับปุ๊บมาเป็นความโก้รูตามความเหอเหมือนลิงด้วยแล้วแล้วก็จะเขียนใบตายไว้เลยก็ได้โดดไปไม่กี่ก้าวก็ต้องลงเหวให้แมลงวันบินตาไม่มีทางสงสัยการกล่าวทั้งนี้ ผมไม่ได้กล่าวเพื่อตำหนิโลกหรือท่านผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่กล่าวตามความจริงที่รู้เห็นกันอยู่ประจักษ์ตาประจักษ์ใจในวงมนุษย์เรานี่แหละไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ว่าการปฏิบัติตัวแบบนั้นจะไม่ลอมโมชิบหายต้องเป็นหนทางเดียวคือเขียนใบเสร็จใบาตายให้พร้อมทั้งที่ผู้นั้นยังคุยอวดตัวว่ามีความฉลาดรอบรู้ และมีฐานะดีมีเงินเป็นล้านล้านเราะเงินก็ตนเป็นผู้หามาจะได้มาจากทางไหนใครไม่ทราบได้แต่การทำลายนั้นทำได้ง่ายนิดเดียวเช่นเดียวกับสมบัติในบ้านมีจำนวนมากมายเพียงไรพอถูกไฟกำจัดทำลายเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็เรียบเป็นเท่าทานไปเองยังไม่มีปัญหา ผมพยายามเรียนและปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้ามาแต่เริ่มบวชจนถึงวันนี้ซึ่งหลายปีพอควรเรียนและปฏิบัติไปเท่าไหร่ยิ่งมองเห็นความโง่ของตัวเองมากขึ้นโดยลำดับแทนที่จะได้ความฉลาดชาญฉานพอมีความรู้แปลกๆมาคัดค้านธรรมะของพระองค์ท่านบ้างว่าตรัสไว้ไม่จริงไม่เป็นสวะคาตธรรมและไม่เป็นนิยานิกธรรมดังที่ประกาศสอนไว้ในบางหมวดบางขั้นบางตอน แต่ไม่ว่าธรรมะขั้นใดหมวดใดตอนใดเปลี่ยนไปปฏิบัติเท่าไรก็ยิ่งทําให้เชื่อให้ยอมไปเส้ยหมดไม่มีความรู้พอได้อวดตัวว่าเก่งกาสามารถคัดค้านธรรมะของพระองค์ได้เลยหมวดไหนคัมภีรใดก็มีแต่พระองค์ตรัสเรื่องความโง่ของสัตว์ผู้ยังอวดตัวว่าเก่งกาฉลาดรู้แต่สู้ลิงที่กลัวหาวิธีลบซ่อนคนก็ไม่ได้ถ้าว่าพวกเราเก่งกว่าลิง ก็ต้องรู้สิ่งที่เป็นหายนะและหลบซ่อนผ่อนคลายตัวเองบ้างอย่าอาจหานท้าทายมันนักหนาะนี่มองไปที่ไหนก็เห็นแต่คนอวดเก่งต่อความชั่วเสียหายทั้งท่านและเราทั้งหลายไม่มีใครพอมีความฉลาดปราดเปลืองพอหลีกเลี่ยงสิ่งที่น่าตำห น, น, นินั้นๆไปได้บ้างไม่ผูกมิดปิดตายเป็นสหายกับมันไปทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแข่งกันเลย ไม่มีวันโปรพอมองเห็นธรรมะในดวงใจที่กายวาจาระบายออกมาพอเย็นใจท่านไดพิจารณาบ้างหรือเปล่าว่าศา ส, สนธรรมของพระพุทธเจ้ามีความละเอียดสุขุมเพียงไรเพียงพวกเราจะเอาใจที่เต็มไปด้วยกิเลส ท, ที่สารสกปรกโสมมไปอย่างธรรมะของพระองค์<ๆ>ก็จะได้แต่คำตำหนิติเตียนติดขึ้นมาเท่านั้นว่าธรรมะปฏิบัติยากผู้ปฏิบัติธรรม ต้องฝืนกระแสโลกจึงปฏิบัติได้บ้างพระพุทธเจ้าตรัสธรรมะไว้ไม่เห็นตรงกับสภาพความเป็นจริงของโลกบ้างธรรมะแสดงไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่รอบทำดีแทบตายไม่เห็นได้ดีอะไรส่วนเขาไม่เห็นทำดีอะไรอย่างร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีเงินมหาศาลข้ามหน้าข้ามตาเราพูดทำดีไปยกยกธรรมะไม่เห็นจริงตามที่ตรัสไว ถ้าจริงว่าบาปมีจริงคนทำบาปไม่เห็นได้รับโทษส่วนคนทำดีเวลาจําเป็นไม่เห็นบุญมาช่วยบ้างบาปบุญคงไม่มีนรกสวรรค์นิพพานคงไม่มีถ้ามีอยู่ที่ไหนคนตายแล้วทั้งคนดีคนชั่วเห็นแต่หายเงียบไปเลยไม่เห็นกลับมาบอกบ้างพอมีแก่ใจอยากทำบุญให้ทานรักษาศีลบาเพ็ญภาวนาบ้างเพื่อเวลาตายไป จะได้ไปสวรรค์นิพพานกันเหล่านี้เป็นต้นที่จะติดใจของพวกเราขึ้นมาเวลาอย่างธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะโลกชอบกันอย่างนี้จะให้ของดีตามที่ธรรมะแสดงไว้ติดขึ้นมานั้นไม่มีหวังเพราะกิเลสไม่หวังธรรมะแต่หวังเฉพาะกิเลสเท่านั้นจึงได้กิเลสความลามกขึ้นมาธรรมะ ไม่ได้ตรัสไว้เพื่อคนจำพวกคอยตามลางตามพานธรรมะด้วยความคิดเห็นต่างๆแต่ธรรมะมีไว้เพื่อคนจำพวกที่ท่านพิสูจน์หาความจริงจากธรรมะจริงๆจึงไม่ใช่ธรรมะบ่นเอาเดาเอาคาดคะเนเอาดังพวกเราที่ยังดูธรรมะด้วยใจอันโสมมของตนและคว้าเอาความโสมมขึ้นมาสุดดมเล่นด้วยความบ่นให้ธรรมะ แล้วก็ภูมิใจว่าตนคิดได้พูดได้อย่างอิสระเสรีอาทราบไม่ว่าตัวสตดดมสิ่งสกปรกของตัวโดยไม่มีธรรมะบทใดเข้ามาเกี่ยวข้องได้ซสียด้วยเลยใค้จะต น, นิตีเตียนธรรมะมากน้อยเพียงไรธรรมะจึงไม่มีส่วนกระทบกระเทือนด้วยนอกจากผู้นั้นจะพึงรับความกระทบกระเทือนจากการคิดการพูดของตัวแต่ฝ่ายเดียว ทั้งที่นึกครึมในใจว่าตนมีเกียตรติและคัดค้านตำหนิธรรมะได้อย่างสบายธรรมะมีความละเอียดสุขุมมากยากที่ใจซึ่งมีกิเลสอย่างเราๆท่านๆจะยังถึงได้ดังกล่าวมาฉะนั้นคำขอร้องท่านแม้จะเป็นเจตนาหวังดีจึงเป็นการกระเทือนส่วนใหญ่แห่งธรรมะแฝงอยู่ด้วยเพราะความประหยัดความมัธยัสถ์ความสันโดษ ความมักน้อยธรรมะเหล่านี้คือความไม่ประมาทลืมตัวผู้ปฏิบัติธรรมเหล่านี้ไม่ว่านักบวชหรือคารวะย่อมประคองตัวได้อย่างน่าชมพระแม้จะมีอัติเรกลาบมากมีประชาชนเคารพนับถือมากหรือครวะมีสมบัติมากน้อยเพียงไรก็ไม่เยียหยิงจองหองและลืมตัวกับสิ่งเหล่านั้นอย่างง่ายดายยังสามารถนำสิ่งนั้ น, น, น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 เป็นเครื่องปกครองและประดับตัวย่อมเป็นผู้สง่างามในสายตาแห่งสุภาพชนทั้งหลายยิ่งกว่าผู้ชอบประดับตัวด้วยเครื่องมัวเมาเย้ากิเลสซึ่งเห็นแล้วหน้าเวียนสีสักสำหรับตัวเองนั้นเห็นว่าโก้หรูเทวดาบนฟ้าสู้ไม่ได้ส่วนสุภาพชนเห็นแล้วปวดเสียนเวียนกล้าวไปตามๆกันท่านลองคิดเทียบเคียงดู ก็พอจะทราบได้ระหว่างธรรมะทั้งสองนี้ต่างกันอย่างไรบ้างคือมองธรรมะตรงข้ามกับธรรมะที่กล่าวมานี้ความประหยัดความมัธยัติความสันโดษความมักน้อยเหล่านี้ผมจะแปลเอาความย่อๆให้ฟังความประหยัดได้แก่ความเอาใจใส่ในการเก็บรักษาสมบัติเครื่องใช้สอยต่างๆที่มีอยู่ของตน ไม่ให้เสียไปด้วยความประมาทขาดการเอาใจใส่ไม่ใช้แบบสุรุ่ยสุรายและใช้กรมัดระวังไม่ควรเสียด้วยเหตุไม่จำเป็นก็ไม่ให้เสียเพราะสิ่งของแต่ละอย่างเกิดมีขึ้นด้วยการขวนขวายหรือการสแสวงหามีได้เกิดมีขึ้นมาเองพอที่จะไม่เห็นคุณค่าของมันความมัธยัส ออกจากใจของผู้มีความรักใคร่ป่ายใจในการใช้สอยและการเก็บรักษาสมบัติต่างๆด้วยความระมัดระวังไม่ใช้สอยแบบเรียร่าศาสตร์กระจายเมื่อหยุดใช้ก็เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยความมัธยัติคือความเห็นคุณค่าแห่งสมบัติทุกชิ้นว่ามีประโยชน์ตามฐานะของมันการเกินอยู่ใช้สอยไม่ฟุ่มเฟือยและไม่ทาให้ฝืดเคือง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 การประหยัดกับการมัธยัติของผู้นั้นจึงไม่ได้เอ็นไปในทางที่น่าตำหนินอกจากเป็นวิธีการดำเนินที่น่าชมเชยโดยท่ายเดียวคนประหยัดและมัธยัตเป็นบุคคลที่รอบครอบในสังคมและเหตุการณ์ต่างๆได้ดีไม่ค่อยเสียไปเพราะสิ่งยั่วยวนวใจของกิเลสเวลาสัมผัสทางทวาร และเป็นผู้ยับยั้งต้านทานสิ่งเคลือบแฝงแปลงปลอมของโลกสังคมด้วยวิจารณญาณได้ดีไม่ตื่นไปกับสิ่งหลอกหลอนชอนชัยอย่างง่ายดายมีความสันโดษยินดีในสมบัติที่มีอยู่ของตนไม่ชอบโลดโผนโดนน้นชนนี้ด้วยความล้นฟัง่งแห่งราคะตัณหาวางตัวกับสิ่งทั้งหลายได้โดยสม่ำเสมอผมจะยกตัวอย่างทางคารวาทให้ท่านฟัง พอเป็นข้อคิดในธรรมะข้อนี้ว่ามีคุณค่าแก่จิตใจคนมากน้อยเพียงไรและเป็นธรรมะจำเป็นแก่จิตใจในโลกเพียงไรเช่นผู้มีภรรยาสามีเป็นสมบัติอันตายตัวของแต่ละฝ่ายแล้วมีความยินดีกับสมบัติของตนไม่ปล่อยให้จิตผาดโผนโลดเต้นเพ่นไปเที่ยวรักสามีภรรยาหรืออีห น, หนูหนูตามถนนหนทางอันเป็นการละเมิดธรรมะสันโดษ คือภรรยาสามีอันเป็นสมบัติเก่าที่มีอยู่ของตนแม้จะมีความต้องตาต้องใจยอยู่บ้างตามนิสัยปุถุชนที่ชอบกินไม่เลือกและไม่มีเมืองพอก็ตามแต่ธรรมะสันโดษก็ต้องเข้มแข็งผลักดันต้านทานอารมณ์กาฝากนั้นไว้ไม่ยอมให้จิตและกายกับสิ่งนั้นไหลผ่านเข้ามาประสานคละเคล้ า, า, า, ากับสมบัติเก่าของตนจนกลายเป็นศึกกลางเมืองกลางบ้านกลางสามีภรรยาเข้า ครอบครัวจะแตกสมบัติจะรั่วไหลไปสู่ความชิบหายคนใกล้จะกลายเป็นอื่นความสุขที่เคยครองเพราะธรรมสันโดษช่วยป้องกันจะแตกทลายหายสูญเมื่อธรรมสันโดษเป็นชีวิตจิตใจไม่สนใจใยดีกับสิ่งใดนอกจากสมบัติเดิมที่มีอยู่ของตนแม้สมบัติอื่นที่ไม่ใช่ของตนก็ไม่ใยใจใยดีและละโมบโลภมากอยากได้ของเขา ผู้นั้นครอบครวัว น, นั้นย่อมเป็นสุขร่วมกันตลอดอวสานไม่มีความร้าวรานเพราะการยินดีเลยขอบเขตสามีภรรยาและลูกเต้าย่อมมีความสงบสุขและตายใจโดยทั่วกันไม่มีความระแวงมาทำลายสมบัติต่างๆก็มีความสนิจใจว่าเป็นของตนอย่างแท้จริงไม่มีสมบัติประเภทกาฝากที่เที่ยวคดเที่ยวกงเข้ามาสัปนมีเฉพาะสามีภรรยาลูกเต้าหลานเหรน และสมบัติของตนล้วนๆจึงมีแต่ความอบอุ่นเย็นใจเพราะธรรมะสันโดษคุ้มครองรักษาอย่างคนและครอบครัวนั้นๆให้มีคุณค่าทางใจส่วนความมาักน้อยนั้นเป็นธรรมะที่ละเอียดมากกว่าความสันโดษขึ้นอีกมากมายแต่เป็นธรรมะคู่ควรแก่ครอบครัวและชายหนุ่มหญิงสาวย่างยิ่งจะพึงปฏิบัติตัวให้มีขอบเขตคือ าชายหนุ่มกับหญิงสาวก็ให้มีรักเดียวไม่มีพวกมีแพมแอวแฝงทางใจอีกฝ่ายหนึ่งให้เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งหาเศษหาเลยไม่เห็นคุณค่าของตนแล้วเกิดความอิจฉาระอาใจที่จะฝากชีวิตจิตใจฝากเป็นฝากตายในการต่อไปคือเมื่อเป็นคู่รักก็ต้องรักเดียวไม่มีสองกับใครอื่นทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายมีความซื่อสัตย์ต่ อ, อ ก, กัน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 นอกนั้นแม้เป็นเทวดามาก็ไม่มีเกี่ยวเพราะมิใช่สมบัติอันแท้จริงของตนมีความยินดีและตายใจด้วยเพียงพ่ออินูกับแม่อินูสองคนเท่านั้นนอกนั้นไม่ใช่ความมักน้อยของผู้ต้องการความสงบสุขในครอบครัวซึ่งสามีภรรยาจะตายใจได้เมื่อกล่าวถึงความประหยัดความมัธยัความสันโดษและความมักน้อยแล้ว ก็ควร น, นำธรรมะตรงข้ามมาเทียบเคียงกันพอทราบความหนักเบาของธรรมะทั้งสองว่ามีคุณสมบัติและโทษต่างกันอย่างไรบ้างเพื่อผู้สนใจในเหตุผลความจริงจะได้นำไปพิจารณาและคัดเลือกปฏิบตัติตามที่เห็นควรคือความฟุ้งเฟอ้เอเห่อเหิมในวัตถุและอารมณ์ความสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยความมีหนึ่งแล้วคิดอยากมีสองมีสามไม่ยินดีในของมีอยู่ของตน และความมากๆในทุกสิ่งบรรดาที่เป็นค่าศึกแก่ตนและผู้อื่นเหล่านี้เป็นค่าศึกต่อธรรมะที่กล่าวแล้วเหล่านั้นการปีนเกลียวกับธรรมะที่มีความประหยัดเป็นต้นเป็นทางเสื่อมเสียด้วยทายเดียวแม้ใครจะต้องการความสงบสุขและความเจริญโดยทำลายธรรมะดังกล่าวนั้นย่อมหาความสงบสุขและความเจริญมิได้เพราะผิดทางไม่ว่าพระหรือคารวาส ไรก็ตามถ้าเดินทางผิดย่อมเกิดความเสื่อมเสียได้เช่นเดียวกันเพราะธรรมะเป็นสายกลางแห่งทางดำเนินเพื่อความเจริญทั้งนักบวชและครวะแม้มีแยกกันไว้บ้างก็เพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่นั้นเหมือนกันดังความสันโดษมากน้อยเป็นต้นพระก็ดำเนินไปตามสายของพระครวะก็ปฏิบัติไปตามสายของตนผลย่อมเป็นความสงบสุขไปตามเหตุที่ปฏิบัติได้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 ส่วนพวกเรากลัวแต่จะอดอยากขาดแคลนกลัวจะลำบากทรมานกลัวแต่จะตายอะไรขาดเหลือบ้างไม่ได้ใจหดหู่เหี่ยวแห้งไม่เป็นอันบำเพ็ญภาคเพียนได้ภายในใจจึงมีตากิเลสความกลัวตายเต็มไปหมดธรรมะเลยหยั่งลงไม่ได้เพราะกิเลสกีดขวางไม่มีทางซึมซาบได้ไปที่ไหนอยู่ที่ใดถ้ามีประชาชน ญ, ญาติโยมห้อมล้อมนับถือ และหิวอาหารเป็นปิ่นโตปิต่นโตเดินตามหลังตามถ้วยชามต่างเกลื่อนไปด้วยอาหารคาวหวานชนิดต่างๆใจก็เบิกบานเพราะความชุ่มเย็นด้วยอาหารทั้งยิ้มทั้งผู้ชมเชยด้วยความพอใจว่าที่นี่อากาศดีมากนะโยมทั้งปลอดโปรงทั้งโล่งใจดีภาวนาก็สะดวกสบายใจก็ไม่ต้องบังคับยากสงบไปเลยความจริงมันภาวนาสะดวกหรือนอนหลับสบาย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 เราไม่ค่อยมีปินโตเทาให ญ, ใหญ่เดินตามหลังเป็นคณะคณะเป็นพวงๆที่นั่นอากาศถ้าจะแย่ทนไม่ไหวและบ่นว่าแม่โยมที่นี่อากาศแย่ทนอยู่ไปไม่ไหวทึบเกินไปหายใจอึดอัดไม่สะดวกภาวนาก็ไม่สงบจิตใจก็บังคับยากผิดธรรมดาที่เคยเป็นอัตมาทนอากาศทึบมากไม่ไหวต้องลาโยมไปวันนี้แล้วก็เพ่นไปหาอากาศดีๆใหม่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 เพราะไม่มีอากาศหายใจกรรมฐานอากาศแบบนี้ท่านฟังแล้วเป็นไงชอบใจไหมผมว่าเข้าท่าดีนะถ้าท่านต้องการเห็นพระตถาคตและพระอรหันต์องค์แท้จริงประจักษ์ใจโดยไม่มีการสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องท่านจงพิจารณาให้เห็นความบกพร่องขาดแคลนและสมบูรณ์ของบรรดาปัจจัยสี่ว่าเป็นของธรรมดา ซึ่งเพียงอาศัยเพื่อบรรลุถึงความมุ่งหมายเท่านั้นไม่ควรเป็นอารมณ์กับสิ่งใดมากกว่าธรรมะอันเป็นจุดที่หมายของการบาเพ็ญความสันโดษมักน้อยนั่นแหลคือทางเดินของพระอริยเจ้าทั้งหลายส่วนความเหลือเฟือนั้นคือทางเดินของพระกรรมฐานอากาศดังกล่าวมาจะไม่มีวันพ้นทุกไปได้ถ้าใจยังติดแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้น การตัดกังวลกับสิ่งเกี่ยวข้องต่างๆก็เพื่อความเบาบางทางอารมณ์ที่เป็นกิเลสแต่ละประเภทผู้ใดก็ตามถ้ายังไม่เห็นคุณค่าแห่งธรรมะคือความสันโดษและความมักน้อยเป็นต้นผู้นั้นยังไม่เห็นคุณค่าแห่งธรรมะพอจะพยายามตะเกียกตะกายไปด้วยความบึกบืนอดทนแต่จะมากังวลกับปากกับท้องกับความกลัวอดกลัวตาอยู่นี้เท่านั้น สุดท้ายก็ติดจมอยู่กับเรื่องของปากของท้องซึ่งเคยทําความกังวลมาเป็นประจำการปฏิบัติธรรมถ้าไม่ยอมปล่อยวางอารมณ์กับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีทางผ่านพ้นกิเลสทั้งหลายไปได้เพราะสิ่งดังกล่าวนั้นเป็นกิเลสเครื่องผูกพันทั้งสิน้นท่านควรทราบว่าความกังวลกับสิ่งเหล่านั้นทํานักปฏิบัติให้จมอยู่ จนถอนตัวไม่ขึ้นหรือไม่คิดว่าเป็นกิเลสพอจะสนใจคิดจะถอดถอนเสียซ้าไปจะไปบำเพ็ญที่ใดพอจะปลดปล่อยกิเลสบนหัวใจออกได้บ้างแต่ก็มาหวงมาห่วงกิเลสเหล่านั้นจะสิ้นไปจากใจไม่มีอะไรมาให้พาสนุกพาเก่าจำต้องพรุงพรางกันไปกับสิ่งเหล่านี้คิดไปพูดไปก็รู้สึกสลดสังเวช ท, ที่นักปฏิบัติเรา ไม่เห็นความพ้นทุกข์เป็นธรรมะมีคุณค่ายิ่งไปกว่ากิเลสที่เคยทรมานใจโดยเห็นความห่วงปากว่วงท้องเป็นของสำคัญกว่าความปล่อยวางเพื่อความหลุดพ้นผู้กระยิมในธรรมะเห็นครูอาจารย์พากันดำเนินเด็ดเดียวอาจหันเพียงไรก็ยิ่งมีความบากบันมั่นใจต่อความเพียรของตนยิ่งขึ้นเพียงนั้นสมกับมาศึกษาอบรม เพื่ออัตตะเพื่อธรรมะเพื่อความหลุดพ้นโยนกิเลสกองทุกออกจากใจจริงๆท่านก็คนเราก็คนท่านก็ใจเราก็ใจท่านทนได้เราก็ทนได้ท่านถึงไหนเราจะพยายามให้ถึงนั่นไม่ยอมถอยหลังให้กิเลสโหร ะ, ย, อะอยืนได้ท่านหลุดพ้นเราก็จะพยายามให้หลุดพ้นตามท่านจนได้ กิเลสท่านกับกิเลสเรามีอยู่เพียงหัวใจดวงเดียวเสมอกันมิได้กองรอคอยทับถมเพิ่มพูนอยู่ข้างหน้าข้างหลังเท่าภูเขาป่าไม้อะไรเลยผู้มีความสนใจฝ่ต่อการศึกษาอบรมเพื่อตนเพื่อธรรมะจริงๆดังกล่าวมานี้ผมแน่ใจด้วยว่าต้องมีวันผ่านพ้นไปได้วันหนึ่งข้างหน้าแน่นอน การปฏิบัติต่อบริขารต่างๆเช่นการปากการชุนหรือดัดแปลงซ่อมแซมไปตามกรณีนั้นก็เพราะเห็นคุณค่าแห่งธรรมะเหล่านี้มาประจำนิสัยและความเป็นห่วงมูคณะจะไม่มีทางเดินในการต่อไปเพราะสมัยนี้มักมีแต่กรรมฐานขี้เกียจมักง่ายทำอะไรก็มักจะทำแบบสุกเอาเผากินการเสื่อมากพอเผาสุกบ้าง ก็กินหมดไปกับปากกับท้องกับกองไฟพร้อมๆกันไม่มีอะไรเหลือเผื่อวันพรุ่งนี้ข้อนี้หมายความว่าพอออกจากที่ภาวนาก็ไม่มีคุณธรรมมีความสงบเย็นเป็นต้นเหลืออยู่ปลิวไปกับอารมณ์เสียหมดกิจาการที่ผมทำนั้นผมเชื่ออย่างฝังใจว่าเป็นอริยกิจอริยประเพณี ที่ท่านดำเนินกันมาเราเป็นกิจที่ทำด้วยความเห็นภายไม่ลืมตนไม่ใช่แบบลิงที่ทั้งกินทั้งทิ้งทั้งคว้าหาของใหม่ไม่สนใจกับของเก่าที่ยังพอกินเป็นอาหารอยู่เลยถ้าเป็นคนก็แบบบ้าตื่นสมัยนั่นแหละจะมีหลักใจพอเป็นหลักเกณฑ์เพื่อทรงทรัพสมบัติได้อะไรกันใส่เสื้อกางเกงเครื่องนุ่งหม่มใช้สอยต่างๆเพียงตัวหรือผืนละสองหน ก็หาว่าเก่าว่าคร่ำครึล้าสมัยไม่ทันเขาก็ทิ้งและคว้าหาใหม่ราวกับเงินทองไหลมาเองเหมือนน้ำมาหาสมุทรสาครฉฉนั้นโดยไม่ได้คำนึงว่าแม้จะเอาสิ่งที่มีราคาค่างวดมากมายเพียงไรมาประดับตกแต่งก็คือคนคนเดียวกับผู้กำลังเฟ้อเฟ อ, อยู่นั่นแหลจะหาคุณค่าสาระอันยิ่งยวดมาจากไหนสวมใส่ประดับประดาเข้าไปแล้วก็เท่าเดิม นิสัยดีชั่วก็เท่าเดิมทำไมปฏิบัติตัวให้มีคุณค่าด้วยความประพฤติเพราะคนเรามีคุณค่าอยู่กับความรู้วิชาและความประพฤติตัวต่างหากมิได้มีอยู่กับเครื่องประดับประดาอะไรเลยพอที่จะหลงหลับจนไม่รู้จักตื่นกันนอกจากทำเพื่อหลอกคนที่ตาฟ้าฟางให้หลงตามแบบกระต่ายตื่นตูมและวิ่งจนแข้งขาหักไปตามๆกันเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรที่น่าชม ว่าเขามีคุณค่าขึ้นเป็นกองเพราะการแต่งตัวด้วยเครื่องหรูหราที่ร้อยผลัดพันเปลี่ยนวันหนึ่งและหลายชุดสิ่งที่ได้รับอย่างหลีกไม่พ้นก็คือความเสียนิสัยใจรั่วใจไม่มีหลักไม่เป็นตัวของตัวได้ด้วยหลักเกณฑ์ที่ดีสร้างความชิบหายแก่ตนและสังคมตลอดอนุชนรุ่นหลังให้หลงตามกันไปไม่สิ้นสุดนี่คือผลไม่ดีต้องติดตามแน่นอน ใครทำก็ผู้นั้นต้องประจักษ์กับตัวไม่ต้องหากรรมาการมาตัดสินให้ลําบากเหมือนประกวดสิ่งของต่างๆสิ่งที่ชั่วยอมทราบว่าชั่วดียอมทราบว่าดีทุกยอมทราบว่าทุกสุขยอมทราบว่าสุขรู้อยู่กับตัวไม่จำต้องให้ใครบอกถึงจะทราบการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันท่านที่ปฏิบัติมาก่อน ท่านได้รับผลเป็นที่พอใจมาแล้วจึงได้วางแนวที่ถูกไว้ให้ดำเนินตามอย่างจะหาเรื่องว่าลำบากาคลั่งคล้าสมัยไม่ลงใจที่จะปฏิบัติตามท่านด้วยความเต็มใจอยู่แล้วก็หมดหนทางเหมือนคนตายไม่รู้จักดีชั่วสุขทุกอะไรเท่านั้นรองจากนั้นลงมาก็ปฏิบัติตัวแบบลิงไม่ต้องมีกฎมีระเบียบข้อมังคับกันอยากทาอะไรก็ปล่อยให้เป็นไปตามนิสัยสัตว์ที่ไม่รู้ภาษา แต่เราเป็นคนเป็นพระจะทําอย่างนั้นก็อยู่กับโลกเขาไม่ได้ต้องถูกไล่เข้าไปอยู่ในป่าช้ากับคนตายหรือถูกไล่เข้าไปอยู่ในป่ากับฝูงลิงแต่ก็จะไม่ยอมไปเพราะยังถือว่าตัวเป็นคนยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่คนตายและถือว่าตัวเป็นคนไม่ใช่ลิงจะไปอยู่ในที่เช่นนั้นไม่ได้ก็จะกลายเป็นคนขวางโลกขวางธรรมอยู่ร่ำไปและทาให้สังคมรังเกยียจเดือดร้อนไปด้วย การปฏิบัติธรรมแบบสะเทินน้ำสะเทินบกไม่เอาจริงเอาจังเป็นเรื่องขวางวงปฏิบัติอย่างนี้แหละแล้วยังจะเป็นกรรมฐานกาฝากในวงปฏิบัติแฝงหมู่แฝงคณะผู้ตั้งใจทำจริงไปด้วยไม่ยอมแยกจากวงคณะให้หายเปื้อนหายกลิ่นสาโครน <c oughs> เพื่อมีผู้มาติดต่อสอบถามธรรมะธรรมโมบ้างจะได้คุยโม้กับเขาด้วยว่าเป็นพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์เสา แล้วขายครูขายอาจารย์กินไปเรื่อยๆยิ่งกว่าปลาเน่าในตลาดเสียอีกการกล่าวทางนี้ผมไม่ได้ตั้งใจตาหนิท่านว่าเป็นพระกรรมฐานดังกล่าวมาแต่อย่างใดแต่อะไรที่จะเป็นคติแก่หมูเพื่อนและวงคณะในฐานะผมเป็นอาจารย์ก็จำต้องตักเตือนสั่งสอนเพื่อรู้หนทางหลบหลีกปลีกตัวและเลือกปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม ผลย่อมเป็นของท่านทั้งหลายเองผมก็นับวันแก่ชราลงทุกวันเวลาต่อไปก็หวังในหมู่คณะจะบริหารกันไปตามเยี่ยงอย่างประเพณีที่พาดำเนินมาคำที่ท่านขอร้องผมนั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดในฐานะลูกศิษย์กับครูเพราะความสุขความทุกข์เป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องกันเมื่อเห็นครูอาจารย์ทาอะไรก็กลัวลาบาก อยากให้อยู่สบายด้วยความเคารพรักและหวังพึ่งเป็นพึ่งตายอย่างจริงใจก็พูดปรึกษาปรารภตามความหวังดีผมไม่ได้ถือว่าท่านเป็นผู้ผิดเพราะการขอร้องนั้นแต่เพื่อดำรงอริยประเพณีอนุราเรลอนดีงามต่อไปเพื่อตนและกุลบุตรสุดท้ายภายหลังจะได้ยึดเป็นหลักและดำเนินตามผมจึงของนีมนหมู่คณะให้ตั้งใจบาเพ็ญตนในความประหยัดมัธยั สันโดษมากน้อยในปัจจัยทั้งหลายด้วยความจริงใจสื่อทอดกันไปจะเป็นผู้ดำเนินปฏิปทาไปโดยสม่ำเสมออิเลตมานยาทั้งหลายจะไม่รังควานรบกวนเกินกว่าเหตุเรามีทุดดวงขวัตเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่าอยู่เสมอธรรมะสี่ข้อนี้มีความสำคัญมากในวงปฏิบัตินิมนพากันทราบว่าอย่างถึงใจ ผู้มีธรรมะเหล่านี้อยู่ในใจตราบใดจะเป็นผู้สงบเย็นทั้งใจทั้งกิริยาที่แสดงออกไม่มีมนทินติดตามมาตราบนั้นไปที่ใดอยู่ที่ใดจะเป็นสุขะโตมีกายวาจาอันสงบไม่เป็นภัยแก่ผู้ใดกิริยาที่แสดงออกของพระผู้มีธรรมะเหล่านี้อยู่ในใจเป็นที่งามตาเย็นใจหมูนะ่คณะและประชาชนทุกชั้นตลอดเทวดาอินพรหมหน้าครุทั้งหลาย ข อ, อนิมน์ทุกท่านจดจำไว้อย่างถึงใจและพยายามปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนอย่าได้ลดละปล่อยวางธรรมะเหล่านี้คือหัวใจของพระอริยะเจ้าทั้งหลายที่ท่านรักสงวนมากเสมอด้วยชีวิตจิตใจส่วนสามัญธรรมดาอาจมีความคิดเห็นต่างกันดังนั้นเพื่อความถูกต้องแม่นยำและแน่ใจจงยึดคาว่าสังฆสรนังคชามิ ให้มั่นคงถึงใจธรรมสีบทนั้นกับสังฆาสรณะมีคุณค่าและน้ำหนักเท่ากันปัญหาของพระที่ขอร้องท่านให้อนุโลมผ่อนผันได้กลายเป็นการเทศอย่างเผ็ดร้อนและยืดยาวการแสดงธรรมของท่านยากที่จะมีผู้ตามทันบรรดาอุบายต่างๆทั้งอุบายขู่เขนและปลอบโยน ล้วนเป็นสาระสําสคัญแก่ผู้ฟังอย่างถึงใจไม่มีองค์ใดบรรดาที่นั่งฟังจะคิดหรือพูดว่าท่านเทศดูดาเข็นด้วยถือกิเลสเป็นอารมณ์หรือเป็นเครื่องมือมีแต่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าวันนี้ท่านเทศถึงใจเหลือเกินต้องอย่างนี้สิอยู่เฉยเฉยไม่ได้ฟังเทศแบบนี้ถ้ามีผู้อรัธนาท่านแบบนี้รู้สึกว่าสนุกและอร่อยจริงๆใครมีอะไรก็เรียนถามท่านบ้างสิ อยู่เฉยๆท่านไม่เทศแบบนี้ให้ฟังง่ายๆนะพระท่านคุยกันหลังจากฟังเทศท่านจบลงแล้วลงมายืนชุมนุมกันที่สภาหนูรับๆตามเคยปกติก็เป็นดังนั้นจริงๆถ้าไม่มีท่านผู้ใดเป็นต้นเหตุให้ท่านต้องเทศท่านก็เทศไปธรรมดาแม้เป็นธรรมะขั้นสูงก็รู้สึกไม่เข้มข้นเหมือนมีเหตุบรรดาที่ท่านเทศผู้เขียนชอบฟังแบบนี้ถึงใจดี เพราะเป็นผู้มีนิสัยหยาบมาดั่งเดิมถ้ามีถูกหนักๆบ้างธรรมะไม่ค่อยเข้าถึงใจแม้ใจก็ไม่ค่อยได้อุบายต่างๆเหมือนฟังแบบนั้น